วันนี้หลวงพ่อฉันจังหารเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณชักเท่งเท่งวันนี้ก็คงจะไปในงานพระราชทานเพลิงศพจังหวัดสมุทรปราการที่หลวงพ่อลงมาครั้งนี้ก็คือมาในงานพระราชทานเพลิงศพของอาจารย์จินตนาพึ่งละ อ, อเป็นลูกศิษย์เก่าแก่ขององค์หลวงตา แล้วก็เป็นที่รู้จักหลวงพ่อมาตั้งแต่หลวงพ่อเป็นพระเล็กพระน้อยคราวนี้เป็นข่าวพระราชทานเพลิงศพเป็นครั้งสุดท้ายของท่านคนถือว่าเป็นธรรมดาเพราะยังไม่ใช่ตัวเองแต่ถ้าหากว่าเป็นตัวเองตัวของเราตัวของข้าพเจ้าเองจะต้องล้มหายตายจากลาจากโลก อันนั้นไม่ใช่ธรรมดาผิดธรรมดาอย่างมากๆเาเพราะว่าเสียความรู้สึกในจิตใจเมื่อทราบข่าวว่าตัวเองจะต้องยำใจจะต้องลาจากโลกแต่ว่าเมื่อคนอื่นถือว่าเราก็ธรรมดาไปในงานศพเพอเพอยังสนุกสนานเพิดเพลินเฮหาอีกต่างหากแต่ตามไม่จริงไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น ควจะรู้เท่ารู้ทันไว้อยู่เสมอว่าชีวิตของพวกเราเป็นของแม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างหลวงพ่อเคยยกเป็นสาทกขึ้นมาในความรู้สึกนะในความรู้สึกของหลวงพ่อสมัยเมื่อเที่ยวทุดงอยู่ในป่าวันออกไปเที่ยวทางแถบจังหวัดเลยพอเดินทุดงเหนื่อยแล้วก็จะข้ามไปอีกจังหวัดหนึ่งญาติโยมขอกราบถวายปัจจัย แต่วัยปัจจัยเขาก็ส่งขึ้นรถบัสหลวงพ่อก็ได้ขึ้นรถบัสพอนั่งไปไปถึงจังหวัดเลยไปถึงเชียงพอดีตอนที่รถเข้ากดพอไปถึงตลาดแทงหนึ่งวันนั้นแหละพอไปถึงตลาดแทงหนึ่งเขาก็จอดรถบัสพอจอดรถบัสคนก็ลงไปกินข้าวหากินข้าวแต่หลวงพอ่อฉันยังหันแต่เมื่อเช้าแล้วก็นั่งรถไปแต่มีแต่ว่าอาศัยรถเขาไปไปถึง ปลายทางแล้วก็จะลงตอนนี้พอไปถึงตอนเที่ยงรถเขาก็จอดพอจอดเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกคนโดยสารก็ลงไปหากินข้าวหลวงพ่อก็นั่งอยู่ในรถคนเดียวนั่งอยู่ข้างรถว่างั้นแหละนั่ง อ, อ, อยู่ตามลำพังมีแม่ค้า คนหนึ่งเขาอยู่นะ่ะอยู่ข้างๆรถน่ะพอมองเห็นได้ถนัดเพราะไม่ไกลห่างแต่รถไปสามสีว่วาเองก็มองมองเห็นได้เขากตัดตำส้มตำเออตำส้มตำเขาผลิตทําเพราะว่าคนโดยสารมามากเขาก็ให้เอาส้มตำเลี้ยงคนส้มตำทั้งข้าวเหนียววะกันแต่ทั้งปี้งไก่ไก่ย่างกินกับส้มตําหมือนกันแตแล้วก็ข้าวเหนียว คนที่มานั่งกินกกินแบบ อ, อร่อยๆเขานั่งโต๊ะกินส่วนแม่ค้านี่ก็รีบขายขายขายตอนน้หมกขายหมดเปี้ยงไก่มันหมดใช่ไหมทางหน้าเขาเปี๊งไก่แม่ค้าเขาก็มาอีกไก่กําลังรุ่นๆไว้แม่ถ้าเป็นเด็กก็ประมาณสิบห้าสิบหกเนี่แหละไก่ไก่อยู่ในลกอยู่ในเล้า อ, อยู่ในลกขเขาขังไว้อยู่สําหรับมาเพื่อจะจเป็นไก่ย่างไก่ย่างสาหรับ กินกับส้มตำเหมือนกันนะพอไก่จมนวนนะก็ประมาณสักยี่สิตัวเนมอยู่ในเล้านะ่หลวงพ่อก็สังเกตอยูนะ่เอ้พอจากนั้นมันหมดไข่ ย, ย่างทานนู้นหมดเขาก็มาเอามือล่วง ล, ว ง, ลวงไปไปดึงลากไก่ขึ้นมาจากในเล้านะพอขึ้นมาเขาไปเชือดคอเอเอามีดเชือดคอปุ๊บไปโยนไปมันก็ดิ้นผักๆักพักพักพพั ก, พ ก, พ ก, พกเอ แล้วไคว้าลงไปดึงขึ้นมาอีกคว้าเชือดคอยอได้ห้าหกเจ็ดแปดตัวเสร็จแล้วเขาก็โปรยข้าหักข้าวสารหักเขาก็โปวยโปรยโปลยลงไปไก่มันก็ยิ่งกินข้าวสารแล้วั น, นทั้งจิกทั้งตอดทั้งเตะทั้งอะไรกินกันอยู่ในกลงหลวงพ่อกันมานั่งทบทวนดูว่ากันแต่เพ่งไปในทางธรรมทีนี้คิดน้อมไปในทางธรรมบอกว่าบรรลุ เกิดมาในโลกเนี่ยมันก็ลักษณะอย่างนี้นะพออยู่ในกลงวันดีคืนดีพยาัตจุราชลากคอคนใดคนหนึ่งไปไปเชือดคอจะตายไปพอตายเสร็จแล้วไอ้พวกที่อยู่ในโลกเนี่ยก่นอนเนี่ยสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาเหมือนกับไก่ที่มันอยู่ในเล่าในกลงนี่น่ะ เขาเอาข้าวให้กินน้อยหนึ่งกัตั้งติดทั้งเตะกันสนุกสนานมางั้นเลย อ, อยู่ในกรงในเราแต่ตัวที่ตายไปแล้วกับเขาเชือดคอไปแล้วดิ่งทักพลักๆพลักไปละเขาไปถอนขนลเอไปแขวทองเข้ามาแล้วเขาก็จะไปย่างเป็นไก่ย่างขึ้นมาเพื่อกินอกับตำส้มละกอแล้วว่างั้นแหละหลวงพ่อก็นั่งดูน้อมมาถึงตัวเองโอ้ดู้สึยงว่ามัน ใจิตใจมันซึมลึกเลืเกินในช่วงนั้นบางเงนเถอะจําจไม่ลืมไปทั้งทุกวันนี้บางเงนเถอะมันโน้มน้าวไปถึงมรณะภัยที่จะมาถึงพวกเราแต่โลกทั้งโลกไม่ได้คิดบางเงนเถอะตัวเองก็ไม่ได้คิดเพราะนั้นไปเห็นสภาพอย่างนั้นนั่นอ่ะชีวิตของคนเรามันลักษณะอย่างนั้นจริงๆไม่เป็นอย่างอื่นบางเงันเถอเมื่ออยู่ดีมีสุขก็สนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮา ไม่ได้คิดหาทางออกว่าทํายังไงจึงจะพ้นทุกในวิวรตะสงสารไปได้อย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบารมีของท่านแก่กล้าเต็มเปี่ยมนะท่านก็มองเห็นได้เออเราจะอยู่ในเวียงในวังอยู่ในพระราชมนเทียนมีความสุขสนุกสบายอย่างนี้อีกสักวันหนึ่งนะแก่เจ็บตายจะเข้ามาถึงเรามันไม่ใช่ของสนุกนะ มันเป็นเรื่องที่ทุกข์จริงๆเมื่อจุดนั้นมาถึงเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะมัวเมาลุ่มหลงกับความสุขเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เพราะความทุกข์ที่ขวางหน้าเราอยู่ความทุกข์มหาศาลมาึมา ah ที่มรณะภัยที่จะมาถึงนั้นเราจะมาสนุกสนานเพลิดเพลินแต่เพียงแค่นี้เหรอเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงไม่ไว้ใจในความสุขของพระ อ, องค์จึงพยายาม หาทางที่จะหลบหลีกหลีกล่นหนีออกจากเวียงวังไปหาความสงบไปค้นคิดหาหนทางที่ว่าทำยังไงจึงจะไม่ตายทํอยังไงจึงจะไม่เกิดไม่ตายอีกเพราะนั้นพระองค์จึงได้ส่ะแสวังหาทางค้นพุกหลบหลีกออกจากเวียงวังเข้าไปอยู่ในปา่าถึงหปีอย่างที่พุทธประวัติที่ท่านได้กล่าวเอาไว้เพราะท่านเห็นภัย ท่านเห็นภายในการเป็นอยู่ของพระองค์เพราะนั้นพวกเราพุทธบริษัทนะถึงจะไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้าก็ให้สําเนียตสําเนกเอาไว้อยู่เสมอว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยไม่เป็นของเทียงแท้แน่นอนอีกสักวันหนึ่งอย่างโยมที่หลวงพ่อได้กล่าวนั่นนะ่ะที่หลวงพ่อจะไปพระราชทธธานเพลิงศพในวันนี้ท่านก็จะก่อนท่านก็อยู่เย็นเป็นจุกอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกับพวกเราเดินทางไปด้วยกัน เดินทางไปด้วยกันเดี๋ยวคนหนึ่งหายไปเดี๋ยวคนหนึ่งหายไปเดี๋ยวคนหนึ่งหายไปหายไปผลที่สุดตัวเองก็เลยหายไปกับเขาอีกเหมือนกันผู้ที่อยู่ทางหลังก็เดินไปหน้าเรื่อยผลที่สุดไม่มีใครที่จะอยู่ในโลกนี้เป็นอนันตา ก, การวันนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองดูแล้วว่าโลกนี้ไม่น่าอยู่เต็มไปด้วยชาติชรามรณะโศกบปริเทวทุกขโทมนัสสุ เกิดแก่เจ็บตายเจ้าโศกร้องให้พี่ไร่รำพันหากันในโลก น, นี้มามากต่อมากแล้วจะทํำยังไงจึงจะไม่มาเกิดอีกพระพุทธเจ้าจึงเสะแสวงหาทางจนมาเจอมักฆบัติปทาคือหนทางจะทํำยังไงจะไม่เกิด ค, คือมักแปดนั่นเองที่พระพุทธเจ้าที่ท่านค้นพบคือศินสมาธิปัญญาศินก็คือรักษากายของเราให้เรียบร้อย สมาธิคือรักษาใจไม่ให้ปุ่กฟุ้งซ่านปัญญาก็คือความรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในกองสังขารรอบรู้ในการเป็นอยู่อย่างที่หลวงพ่อได้พิจารณาได้เห็นไก่อยู่ในกงในเล่าอย่างนั้นอันนั้นก็เป็นปัญญาระดับหนึ่งที่ว่ามองโลกมองเรามองสิ่งรอบข้างอันนี้นก็เป็นระดับหนึ่งเว่าเป็นหนทางที่จะเบื่อหน่ายคลายเหมือนกันที่จะไม่อยู่ติดอยู่ในโลกเราจะติดอยู่ทําไม อยู่ในโลกเหมือนไก่อยู่ในเล้าอย่างนั้นอีกสักวันหนึ่งพญามัจจุราชก็จะคว้าคอของเราเข้าไปเชือดคออยู่แล้วเราจะสนุกสนานกับสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ไว้ใจไม่ได้ในร่างกายสังขารนี้อีกสักวันหนึ่งขึงจะทะนุถนอมเลี้ยงดีขนาดไหน อ, อ, อาหารการบริโภคจะถูกต้องขนาดไหนดีขนาดไหนแต่ความตายของเราก็ยังมาถึงยังจะมาถึงเราอยู่อีก ไม่วันใดพวะวันหนึ่งในอนาคตสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องได้คิดไว้ในใจอยู่เสมอเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะนั้นควรจะสั่งสมบุญกุศลอย่างที่ว่านี่นะทานศีลภาวนา้ทานทางที่จะค้นทก็คือศีลสมาธิปัญญาอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวคือมักแปดคือขนทางนี่แหละศีลคือคือรักษากายวายาให้เรียบร้อยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อวานคือศีล5้าเนี่นะ เป็นบันไดขั้นต้นสําหรับคารวะาและกสมาธิทางจิตใจให้สงบให้นิ่งอย่าไปปูงฟุ้งซ่านบริกรรมพุทโธพุทโธก่อนหลับก่อนนอนวิธีการทําสมาธิง่ายนิดเดียวถ้าเราได้ศึกษาแล้วนะก่อนหลับนอนเราก็ไหว้พระซะหรือไปห้องพระอย่างวันพระหรือวันเกิดของเราหรือวันเกิดของพ่อของแม่ของเราที่เรารักเคารพญาติพี่น้องของเราลูกหลานของเราวันไหนที่เรา รักเคารพนับถือเราก็เข้าไปห้องพระเราจะกราบพระพอกราบพระเสร็จเรียบร้อยอรหังสมาสัมพุทโธจุดแท้แต่เราจะว่าได้พุทโธพุทโธพุทโธคําเดียวก็ได้นีไปนั่งต่อหน้าพระประธานอย่างโตมู่บูชาเนี่ยเราไปกักราบพุทโธธรมโมสังโฆแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธเท่านั้นก็ได้ไม่ต้องกล่าวอย่างอื่นพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆ เราพูดอย่างนั้นไม่ได้แตเพียงแค่นี้ก็จําได้แล้วใช่ไหมเน่จากนั้นก็ข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างใดเน่ผู้อื่นจัดอื่นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงว ง, งสาคณะญาติก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาในใจของเราอันนี้คือแผ่เมตตาเน่จากนั้นก็นั่งเข้าวนา น, นั่งพักเก็บก็ได้นั่งคัดสมะก็ได้ต่อหน้าพระประธานหน้าโต๊ะหมู่ บริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธในใจเพียงแค่นี้นั่งภาวนาไม่เห็นยากอะไรนะะไม่มีพิธีรีตองอะไรมากเพื่อพยายามทําใจให้สงบดูใจของตนเองเอคือศีลกรับรักษากายวาจาสมาธิก็คือนั่งภาวนาทําใจให้สงบ เ, เพียงแค่นั้นหนาทีได้ไหมยี่สิชั่วโมงเรานั่งห้านาทีได้ไหมสิบนาทีได้ไหมถ้าเรานั่งทดลองนั่งดูแล้วเราจะเห็นผลทีนี่ เห็นผลในการนั่งสมาธิของเราใจของเราจะได้รับความสงบพร้มเย็นเป็นจุกนานเท่านานทีเดียวเลยถืเอเพราะฉะนั้นในการฝึกสมาธินี่สมควรนะัหลวงพ่อว่ า, อ, าอยากจะเตือนพวกญาติโยมทุกๆท่านเนีเ่ยเรื่องให้ทานหลวงพ่อไปว่ายกย่องสนเสริญศรัทธาญาติโยมทุกท่านที่มี จ, จิตใจเป็นกุศลอย่างมากาแต่เรื่องศีลเนี่ยรู้สึกว่าจะล่อยลอไปสักหน่อยแล้ว พอเรื่องสมาธิเนี่พวกเราคล้ายๆบอกสุดเอื้อมไม่อยากจะทำหลวงพ่ออยากจะให้พวกเรานั่งสมาธินี่แหละถ้านั่งสมาธิคือคล้ายๆกับว่าดูใจของตอนเองใจเรานึกคิดเรื่องอะไรใจของเราเป็นบาปอากุศลและเป็นบุญกุศลเราดูที่ใจของเราเราจะรู้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นอยากจะให้พวกเราทุกท่านญาติโยมทุกคนนะให้พยายามนั่งภาวนาอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวบุญกุศลจะยิ่งใหญ่มหาศาลเลย ให้ทานร้อยครั้งสู้รักษาศีลบริสุทธิ์ครั้งหนึ่งไม่ได้รักษาศีลบริสุทธิ์ร้อยครั้งสู้นั่งภาวนาจิตสงบข้็เป็นฌ า, านญาณรัชนะครั้งหนึ่งไม่ได้เป็นขั้นตอนอย่างนั้นจิตสงบเนี่ยเป็นบุญกุศลมหาศาลสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นไม่ควรจะมองข้ามเหมือนกันนะทานศีลภาวนานะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่ทานนะเรื่องทานเนี่ยหลวงพ่อยกให้เอ เป็นผู้มีศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกๆท่านเป็นผู้มีจิตใจเป็นกุศลจริงๆเอออันนี้ก็คือบอกเกิดอันหนึ่งบอกเกิดแห่งบุญอันหนึ่งถ้าเราเกิดมาพบหน้าชาติหน้าคนยินดีทําทานจะไม่อดไม่อยากรักประกันอย่างนั้นได้เลยเออในหลักของพุทธศาสนาชาตินี้ก็เถอะถ้าคนมีจิตใจกว้างขวางไปที่ไหนไม่อดไม่อยากทั้งนั้นนะ่ะก็หางว่าคนเราเขี้ตะนีทีเหนียวไม่ชอบแบ่งปันให้แก่ใครนะ ไปที่ไหนใครก็ปิดประตูบ้านประตูเรือนทั้งหมดไม่อยากจะคบค้าสมาคมเพราะใจรจิตใจของเขาไม่กว้างขวางจิตใจไม่เป็นบุญกุศลแต่ถามว่าผู้ใดเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางรู้จักสงเคราะห์อนุเคราะห์หมู่พวกเพื่อนพี่น้องลูกหลานเนีใครใคก็อยากจะเป็นมิตรเป็นสหายเงินคําทรัพย์สมบัตกิกอนหลังไหลเข้ามาคนที่มีจิตใจเป็นกุศลนะเพราะฉะนั้นพวกเราส่วนนี้หลวงพ่อไม่ได้ตําหนิว่าพวกเราทําบุญสร้างบุญสร้า ง, งกุศลเป็นเยี่ยม ที่ลูกพ่อได้พบได้จเจอได้เห็นแต่เรื่องสิ่งนี่ก็ขอพยายามนะพยายามทําตนให้ได้อย่างวันพระแบกข้า15คบหาหรือไม่ได้8คดข้างเอา15คห้าวันพระใหญ่ก็ได้สักวันหนึ่งให้มีศิ่งห้าะแต่ว่ายพระเนี่ยควรจะมีทุกวันก่อนนอนควรจะไหว้พระซะก่อนแล้วก็นั่งภาวนานี่ยถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้นั่งภาวนาสัก5นาที10นาทีตั้งนาฬิกาวไว้เลยเพราะฉะนั้น ตั้งนาฬิกาไปเลยแล้วก็นั่งภาวนาหลวงพ่อว่าการนั่งภาวนาเก็บเล็กผสมน้อยทีละวันละวันอ่ะจะเป็นทุนขึ้นไปเหมือนกับเราสะสมสั่งสมเงินทีละบาทละบาทต่อไปจะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสน 100, ขึ้นมาได้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าพวกเรานั่งภาวนาสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจแล้วใจของเราจะหนักแน่นมั่นคงไม่ว่าเหวอ้างว่า ง, งเงียบเหงาซึมเศร้าเมื่อประสบภัยวิบัติ นานับประการที่จะมาถึงอย่างที่หลวงพ่อได้ว่าไวนะ้ลยเอยชรามาถึงปยาธิมาถึงมรณะภัยมาถึงจะไม่เกรงกลัวทั้งหมดพ้นเราได้เตรียมพร้อมไว้แล้วนะแต่ถ้าเราไม่ได้เตรียมพร้อมไวเนะี่ยหลวงพ่อว่าหวั่นไหวนะถึงจุดนั้นนะจะหวั่นไหวนะเเรามีความแก่เป็นธรรมดาธรรมดาเห็นคนแก่เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาใช่เห็นคนอื่นเจ็บนะ เรามีความตายเป็นธรรมดาใช่เห็นคนอื่นตายนะ้าว่าเห็นตัวเองแก่ตัวเองเจ็บตัวเองตายโ อ, โ, อโอ้ไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาก็จะว่านะอแต่ถึงจุดนั้นมันตั้งตัวไม่ทันแล้วนะตั้งตัวไม่ทันแล้วถึงจุดนั้นเพราะนั้นพวกเราควรจะเตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนินเน่นๆ น, น, นะวันนี้ก็หลวงพ่อให้แนวความคิดสําหรับพวกเราทุกท่านนะที่ได้มาร่วม ทำบุญในวันนี้และก็บพ้อกันตอนนี้ไปหลวงพ่อจะอนุโมทนาและกับพวกเราให้กุธิส่วนกุศล